เพราะความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลวงปูโพธิญาณในวันนี้ก็จะพูดเรื่องของยะกุลบุตรคือหลังจากพระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงธรรมเทศนาสองสูตรคือธรรมจากกัตนนสูตรกับอนัตตลกขันสูตรโปรดท่านปัญญวัคคีให้ พรลุมกผลเป็นพระหันแล้วพระเจ้าก็เสด็จประทับอยู่ที่อิสิ ป, ปตนะมรุกขายวันนั่นเองก็มีประเด็นที่ในช่วงสุดท้ายของอนัตรลักอนัตลั ก, ก ส, สูตรมีการกล่าวถึงกิเลสที่พระหันท่านทำลายได้ เบอบาลีสั้นๆว่าอาสวัยจิตานิวิมุตย์ยิงสุจิตแปลว่าจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวั ท, ทั้งหลายไม่ถือมั่นในอุปาทานแลซึ่งจะมีแก่พระอราหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้ตลอดนั่งด้การบรรลุปะญาเรียกว่าอาสวัขยานประญาที่ทําอาสวะให้หมดไปสิ้นไป แต่ข้อความก็แปลกนะจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวัตทั้งหลายไม่ถือมั่นในอุปาทานแล้วฟังทำนองคล้ายๆกับว่าอาสวะกับอุปาทานนั้นเป็นคนละอย่าง ก, กันที่จริงมันก็แตกต่างกันในโดยชื่อนะครับอุปาทานนั้นเป็นการพูดถึงอาการของกิเลสที่ก่อให้เกิดการยึดจิต แต่อาสวะนั้นพูดถึงกิเลสนั่นเองแต่ว่าสะสมหมักหมมอยู่ภายในจิตใจของบุคคลก็ เ, เรียกว่าเป็นเครื่องหมักดองอยู่ภายในใจพอทำปฏิกิริยาต่อจิตก็กลายเป็นอุปาทานในความเป็นอาสวะนั้นก็จำแนกไว้เป็นสามประการ คือการมาสะวะอัสะวะคือกามได้แก่ความใคร่ความปรารถนาความพอใจความต้องการตัณหาอ ะ, อะไรต่างๆกิเลสประเภทคว้าก็มาหาเรานะเพื่อต้องการได้เพื่อต้องการมีต้องการเป็นต้องการถือครองครอบครองเป็นเจ้าข้าเจ้าของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ที่ถุ กา ja. รมาทอปภาวาสวะนะฮะอสวะคือพบหมายความว่าความต้องการมีต้องการเป็นต้องการเป็นนะฮรกามาสวะต้องการได้อ uh, ันนี้ก็คือต้องการเป็นต้องการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องการเป็นเจ้าของทรัพย์สินเงินทองอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เกี่ยวข้องกันนะฮะได้กับเป็นเนี่ยเมื่อได้จริงใดจริงหนึ่งเราก็ เป็นเจ้าของสิ่งเดล่า น, นั้นการที่เราเป็นเจ้าของจิงใดสิ่งหนึ่งแสดงว่าเราได้สิ่งเดล่า น, นั้นมาไว้ในครอบครองผลปุณณียังเป็นอาการที่ต่อเนื่องถึงกันแต่ลักษณะของภพเนี่ยจนถึงก็อยากได้บังเกิดในภพที่ประนีตขึ้นไปโดยลําดับด้วบังเกิดในรูปภพรูปภพ กลัมาพบกัแล้วแต่ว่าใครมีความพอใจจิดใจในพบอะไรแล้วก็ไปสู่รวมที่อวิชาชาสวะอาสวะคืออวิชชาอาวิชชานั้นแปลว่าความมืดบอดหรือความไม่รู้หรือความเขาหรือความรู้ไม่ตลอดสายหรือความรู้ไม่จริงก็แล้วแต่นะฮะ แแต่ว่ามันจะเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนเพียงใดอาการแปรก็แตกต่างกันออกไปแต่ตามปกติคือรู้ไม่จริงนะฮะรู้ไม่ตลอดบางคนเราอย่างไรมันก็รู้อะไรอยู่บ้างอะมากบ้างน้อยบ้างแต่ทั้งหมดมันยังมีความเป็นอภิชาอยู่เพราะรู้ไม่ตลอดหรือรู้ไม่จริงแท้อย่างที่ พระปัญาวัคขี่ท่านรู้ธรรมารู้กาในความหมายที่จริงแท้นั่นก็คือต้องสามารถขจัดกิเลสออกไปจากใจได้สรุปว่าสาบใดที่ยังขจัดกิเลสไม่หมดสาปนั้นยังถือว่ามีวิชาอยู่เพราะเมื่อเราลองไปดูสังโยชน์สิประกาศนะครับ อวิชามันไปอยู่ข้อสุดท้ายคือพระโสดาสกิตาคานาคารยังละอวิชาไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อละอวิชาไม่ได้ท่านก็ยังต้องเกิดในภพเป็นหยาบกลางละเอียดนะั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ายังต้องเกิดในภพอยู่คนที่ละอวิชาได้ก็มีฝ่ายเดียวก็คือพระอราหันต์เท่านั้นอวิชาท่านจําแนกออกไว้เป็นแปดประการด้วยกัน เรียกว่าอาวิชาอากาวัตถุกาคือไม่รู้ในเรื่องอริยสัจทั้งสี่ประการแต่ว่าเป็นความไม่รู้ด้วยญาณสามนะไม่ได้หมายความไม่รู้ในเชิงปริยัติในเชิงปริยัติก็รู้แต่ว่าเชิงปริยัติเขาไม่ได้ถือว่าเป็นวิชาที่ทาลายอวิชานั่นเป็นขจัดความไม่รู้ระดับปริยัติ แต่ว่ า, าวิชาที่ถูกทำลายไปนั้นต้องเกิดขึ้นมาจากวิชาซึ่งเป็นผลรวมของอริยมรรตที่เรียกว่าจากขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างในธรรมาจากกัตันสูตรนั่เองเป็นอาการต่อเนื่องกันแตวมีความเข้มข้นแตกต่างกันมาถึงจุดหนึ่งเป็นแสงสว่างโพรงซึ่งขาจัดความมืดได้อย่างสิ้นเชิง ที่ทรงแสดงว่าวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปนันแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปเพราะถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็แสดงว่าอาวิชายังก็มีอยู่การไม่รู้อริยสัจสี่นำไปสู่การไม่รู้เรื่องอดีตไม่รู้เรื่องอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้กฎของปัจจัยการหรือกฎของปฏิจจสมุปบาท บางครั้งก็พูดในทํานองตรงกันข้ามกับวิชาแปะก็เรียกว่าวิชาเหมือนกันก็โดยเนื้อหาสาระแล้วก็เหมือนกันนะนะโดยเนื้อหาสาระก็เป็นอันเดียวกันหมายความว่าในชั้นรู้นี่ถ้ารู้อริสัทธ์สี่แล้วมันก็รู้หมดถ้ายังไม่รู้อริสัทธสี่ก็ไม่รู้ทั้งหมดเพรากรอบของความรู้ในความหมายที่ทรงแสดงนั้นคือกิเลสนี่ต้องลดนะ่ะ มากน้อยไม่รู้แหล้ว่าแต่ว่ากิเลส ต, ต้องลดลงไปถ้ากิเลสยังไม่ลดก็ไม่ได้ถือว่าเป็นรู้จริงๆแล้วก็อุปาทานนั้นก็มีเป็นสี่ก็ได้จริงกิเลสประเภทอสาาวาร น, นั่นแหละแต่มันสัแดงอาการออกมาเป็นอุปาทานอุปาทานมันก็คล้ายๆกับพวกกาหะสามประการที่ว่าไว้ในนาตลนาลกณนสุแต่ว่า มันจับได้เป็นสี่แต่นั่นเด็กโดยเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นนันเดียวกันคือกามุปาทานถือมั่นกามคือถือมั่นโดยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่และใคร่ปรารถนาพอใจอยินดีเชื่นชมในสิ่งเหล่านั้นนี่เรียกว่าเป็นกามุปาทานคือถือมั่นโดยอำนาจของความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่ แต่เป็นเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันอย่าละเอียดเร็วบปนี้ก็ไม่รู้ว่าสตราจารที่ยังไมีคามุปาทานอยู่มันก็บังคับใจให้สายไปได้ทั้งในการทั้งสามทั้งในของที่หยาบและในของที่ละเอียดแล้วก็ทิฏฐุปาทานถือมั่นดยหน้าทิฏฐิคือความเห็นในที่นี้เน้นไปที่ความเห็นผิดนะเน้นไปที่ความเห็นผิดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ความเห็นผิดสิบประการเนี่ยไปอยู่ในเกณฑ์ของการเป็นทิฏฐุปาทานแล้ว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 แล้วอัตวาทุปาทานถือวาทะว่าตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ตนเป็นอย่างโน้นแล้วก็ศีลละตุปาทานถือมั่นด้วยศีลด้วยวดัดด้วยข้อปฏิบัติซึงปักใจหวังใจสำคัญบั้นหมายยึดติดตัวว่ามีความคลังมีความศักดิ์สิทธิ์มีความถูกต้องสมบูรณ์น่ะพวกนี้เป็นอาการของอวิชชานะอาการของโมหะอนการของอวิชชาด้วยกัน นั่นก็เป็นสิ่งที่ออกจากจิตใจของพระอระหันต์ทั้งหมดพระอรหันต์จึงได้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าหักกรรมแห่งสังสาราจักรกรรมแห่งสังสาราจักรก็เป็นชื่อที่แยกแผกเรียกแผก อ, อก็ไปแต่ว่าเนื้อหาสาระก็คือกิเลสกับกรรมเหมือนเดิมได้แก่วิชาตัณหาอุปาทานและก็กรรม ซึ่งโดยเนื้อหากิเลสก็คือกิเลสประเภทอาสวะกับอุปาทานที่ว่านั่นเองตอนนั้นพระอาจารก็บังเกิดขึ้นในโลกรวมแล้วก็เป็นหกองตามพระพุทธเจ้าพระปัญญาวคีห้าคืออัญญากลันดาววะปะพัตยามานามาอัจฉิแล้วก็ท่านเหล่านี้ในการต่อมาที่มีชื่อเสียงปรากฏในช่วงหลังเนี่ย พระยาโกนทันยะกับพระอา ช, ชิชิซึ่งก็มีลูกศิษย์สืบต่อกันมาพระยาโกนทันยะก็มีลูกศิษย์คือพระบุณณะมนตาในบุตรพระอาชิชิก็มีลูกศิษย์ก็คือพระสาริบุตรพระโมคคายานะนอกจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ยินชื่อนะอัญ ญ, ญากรทันยะพระป่าพัทธิยะมานา ม, มาอาชชิเนี่ย มาามะสามองค์เนี่ยไม่ค่อยได้ยินชื่อเพราะว่าเป็นพระเทระยุคแรกเราลองนึกดูว่าเหตุการณ์ในสมัยนั้นไม่ได้มีการบันทึกอะไรไว้แล้วก็จำทรงกันมาแต่เรื่องราวของคนรุ่นก่อนนะรุ่นก่อนนั้นสี่สิบห้าปีพระถังกีติกาจานั้นเป็นพระที่บวชในรุ่นหลัง ก็จาท่านปัญญวคีมาเพรเรื่องของท่านปัญญวคี ก, ก็ก็ไม่ได้มีปรากฏอะไรมากนะักเป็นพระยุคบุกเบิกแล้วก็ือถ้าเรามองพระอรหันยุคนี้ยยุคหกสิบรูปซึ่งจะกล่าวต่อไปเนี่ยจะคล้ายๆกับทำงานเดินหน้าลุยไปข้างหน้าลูกเดียวเผยแผ่ศาสนาไปข้างหน้าลูกเดียว แล้วก็ชื่อเสียงของท่านเหล่านี้ปรากฏทีหลังไม่กี่รูปอะไอยู่ในพวกอสีติมาสาวกาสาวกแปดแปดสิบรูปเนี่ยอยู่หลายรูปด้วยกันแต่ว่าจริงๆแล้วก็พระยุคนั้นเมเยอะนะฮะเป็นพันๆเจออยู่ในระดับโหหน้าผู้นำนะผผูผนำพวกปัญญวิเคราคีห้าผ ยศะนี่ก็ไม่ปรากฏชื่อแต่ปรากฏชื่อในรูปของอสิติมาสาวกท่านก็นเล่าว่าในพระนครภาราณสีนะั้นมีกุลบุตรชื่อว่ายศหรือยศะนี่ก็เป็นบุตรเศรษฐีสุกุมารชาติบิดาสร้างปราสาทอยู่สามหลัง คล้ายๆพระพุทธเจ้านะคล้ายๆเจๆ้าชาติฏฐาณนะมันจะเล่นนะคือเคยตอนไปอยู่ที่อินเดียเนี่ยมีคนเขาเล่า ว, ว่าเจ้าสาเนี่ยที่จริงไม่ใช่ลูกเศรษฐีหรอกเป็นลูกของพระเจ้ากรุงพาราาสีเลยคือดูข้าวแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าดูยิ่งใหญ่เหลือเกินอ่ะแล้วก็บั่งคังรำรวยมหาศาล การพรนาต่างๆไว้ในเรื่องของปยาศ า, ลากลับในวังของเจ้าชายจิตตธรรมเป็นเรื่องที่น่าสังเกตแล้วก็บอกว่าหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนยาศากุลบุตรนั้นรับบำเรอด้วยพวกดนตรีไม่มีบุรุษเจือปนในปราศาท ฤดูฝนตลอดสี่เดือนไม่ลงมาเบื้องล่างของประสาะแสดงว่าหรูหราฟู่ฟ้าร่ำรวยมากมหาศาลมากๆก็ <c oughs> ป้นตือบำรุงบาเรอแบบเดียวกับเจ้าชาจิตตธรรมมันก็สะท้อนภาพสังคมอย่างหนึ่งของยุคสมัยเราเห็นว่ามนุษย์รมก็หมุนบุงเนี่ย อันนี้ก็คือแนวกามมา ส, สุขานในการโยกที่ค่อนข้างจะอิมมีพิมันนะฮะปนปลือกันอย่างเต็มที่เลยแล้วจนไม่ได้รู้โทษของกามเราจะจะเห็นว่าพวกนี้มันเข้ามาเป็นศาสตร์เลยคือมนุษย์มนุษย์ยุคนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดาคือศึกษาในเรื่องการสแสวงหาความสุขในทางเพศกันเป็นลทัทธินะฮะ เป็นลชัชิแล้วก็เป็นสูตรึ่นการมมาสูตรขึ้นมาเนี่ยสร้างกันเป็นตำนาเลยจะแวงหาความสุขในทางเพศกันมันก็จนสำลักด้วยกันทั้งสองฝ่ายที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงปทโมเทศนาที่ปฏิเสธสองทางในเราเห็นชัดเจนว่าแนวพยาศาสตร์เนี่ยก็คือแนวการมาสุขการนิการนโยปนปลือตัวเองตั้งสี่เดือนไม่ลงจากปราศาสตรลองนึกดูก็ได้กัน การเคลื่อนไหวการใช้เรียบทเป็นยังไงก็เรียกว่าเคลื่อนไหวได้น้อยนะฮะอยู่กันในแวดวงปราศาสตร์ปนปปือสนุสนานกันแล้วก็พอดีเขําวันหนึ่งเนี่ยเมื่อย า, าสากุลระบุตรอิมเอ่อพร้อมพรั่งบําเรออยู่ด้วยกามคุณห้าตอนนี้อย่าลืมระดูฝนนะฮนะอย่าลืมว่าเป็นระดูฝนคือ มันก็ตกอะไรล่ะเด่นแปดข้างแรมนะเด่นแปดข้างแรมหลังยะเทศอนัตตลกณสูตรก็เทศวันแรมห้าค่ำเด่นแปดแรงห้าค่ำแสดงว่าเป็นฤดูฝนที่อยู่ในช่วงยะสะที่กำลังสนุกสนานเพลิดเพลิน อ, อ, อยู่บนปราสาทตไม่ได้ลงมาจากข้างล่างแล้วก็ แม่นอนหลับไปก่อนนะฮะเพราะว่าพวกสาวสารกำนันไหนที่ปนปปือกันด้วยวิธีการต่างเนี่ยก็ยังสนุกสนานกันอยู่เยาาสากุล ร, ระบุตรก็หลับไปก่อนบริวารก็หลับไปภายหลังแต่ว่าประทีปยังส่องแสงสว่างเหมือนกับเรื่องเจ้าชายจิตตถาเหมือนกันเลยนะแต่ว่าเจ้าชายจิตตถานั้นท่านเข้าไปสู่ปราศาท คืออยู่ที่อุทยานเข้าไปสู่ปราสาทในยามราตรีแล้วเข้าไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆนี่เหมือนกันเลยแต่ยศกุลบุตรตอนนั้นยังไม่เบื่อนายนะฮะแต่ว่าเจ้าชายเทฐาท่านเบื่อหน่ายแล้วตอนนั้นภาพมันจึงออกมาคนละภาพกันตัว น, นึกดูถึงว่าคนเราในยุคปัจจุบันเนี่ยตนปรือกันด้การมาคุณจนน่าจะสำลักบ้างนะก็ไม่สำลักกัน ที่น่าสลทดทุถทูก็คือเรื่องปัญหาเรื่องโรคเอดปัญหาความสับสนทางเพศปัญหาการทำแท้งปัญหาการลูกไม่มีพ่ออะไรต่างๆไม่รู้อะไรกันนักหนาทำไมมันมากมายก่ายกองกันขนาดนั้นก็ไม่รู้ บทเรียนในอดีตนั้นไม่ได้เคยให้สานึกหลับจำอะไรเลยมนุษย์มื่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมหมกมุ่นบุ้นวายอยู่เหมือนเดิมตบนปลือตัวเองบำรุงบำาเรือตัวเองกันแล้วก็ผลสุดท้ายก็อย่างโรคเอดเนี่ยมันไม่น่าเกิดเลยนะคหรือว่ากันตามความจริงแต่มันก็ยังเกิดอยู่ได้แล้วก็แสดงให้เห็นดังว่า จิตใจของคนยังหนักหมก ม, มุ่นวุ่นวายอยู่กับพวกกรรมคุณทั้งหลายที่มีการปนเปื้อกันอยู่นี่เพรา ะ, ะภาพในปราสาสตรของยศากุลบุตรมันเป็นภาพเดียวกับในปราสาสตของเจ้าชายทิฏฐะพนาไว้ก็ทํานองเดียวกันนะบอกว่าได้เห็นบริวารของตนกบลังนอนหลับ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 ก็นำซากศพที่ตายใหม่ๆนี่ไปทิ้งในป่าชา้าผนเพากคนเหล่า น, นั้นที่นอนด้วยอีเดียบทที่ขาดการควบคุมนะแล้วเราก็มาเห็นในกลางดึกของคืนวันหนึ่งทึ่งบารมีแก่กล้าขึ้นมาเนี่ยมันก็มองโลกไปอีกแง่หนึ่งแต่ถ้าบารมีไม่แก่กล้ามันก็ใจก็ไม่ไปแล้วนะมันก็ไม่เห็นไปเป็นอย่างนั้น นั้นแสดงว่าเป็นปรมีที่แก่กล้าขึ้นบอกว่าปรากฏดุดปลาชา้าผีดิบครั้นแล้วความเห็นโทษได้ปรากฏแกย่ยสกษ์กุลบุตรจิตก็ตั้งอยู่ในความเบื่อหน่ายมองนั่นก็น่าเบื่อหน่ายมองนี้ก็หน้าเบื่อหน่ายมองโนองก็หน่าเบื่อหน่ายมันไม่มีอะไรที่น่าอภิรมยินดีแล้วก็ จิตก็ตั้งมันอยู่ที่ความเบื่อหน่ายมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมันเหมือนกันหมดล่ะแล้วจึงเปล่งอุทานว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่กัดข้องหนอท่านผู้เจริญที่นี้วุ่นวายหนอที่นี่กัดข้องหนอพูดโดยลำพังตัวเองนะพูดโดยตัวเองแล้วก็สวมรองเท้าเดินตรงไปยังประตูนิเวศ ผู้อมนุษย์เปิดประตูให้โดยหวังใจว่าใครๆอย่าได้ทำอันตรายแก่การออกกัดเรียนบวชเป็นบรรพชิตของยาศกาาุลบุตรเลยอมนุษย์พวกนี้เข้าทีนะฮะตอนเราพุทธเจ้าเสด็จพญามานเนี่ยมาขัดขวางเลยไม่ยอมไม่บวชลอดด่อโดยสมบัติจั ก, กรพัฒนก็ทาให้เห็นอย่างหนึ่งว่าบางทีพญามานเนี่ยแย่ยกว่าพวกอมนุษย์แต่ออมนุษย์นี่ไม่ทราบไม่ทราบพวกอะไรนะฮะ ก็รู้สึกใจดีจังไม่ไม่ยอไม่ใครขัดขวางแล้วก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนโดยเห็นว่าใครๆไม่ควรทำลายเจตนาที่จะออกบรรชาของยาษศาสคุณบุตรท่านก็เดินบ่นไป ก็ไปทางประตูพนคอนพวกมนุษย์ก็เปิดประตูให้โดวยวางใจว่าใกลๆจะได้ทําทอันตรายแก่การออกจากเรือนเป็นบนรรพชิตของกุลระบุตรคือบ้านเมืองของยักศาสตร์นี่อยู่ในตัวเมืองนะแต่อิสิปตนาเนี่ยเขาอยู่นอกเมืองเพราะมากําแพงก็สองกำแพงเกลมแพงเกลือหาดของยักศาสตร์กุลระบุตรผ่านประตูเกลือหาดพวกมนุษย์ชุดนั้นก็ปล่อย ไม่ต้องการให้ใครมาทำลายมาขัดขวางแล้วก็พอออกประตูเมืองแสดงว่ามุ่งหน้าไปไกลมา ก, กนะคือในสมัยโบราณเราเนื่องดูสมัยโบราณฟฟ้าอะไรต่อะไรก็ไม่มีนะแล้วก็ตอนนั้นก็ข้างแรมด้วยแสงสว่างอยากดวงจันทร์มันขึ้นแล้วหรือยังเราก็ไม่รู้ะ แต่ก็คงจะไเห็นแสงสว่างนั่นนะฮะแต่เรื่องของผู้มีบุญนะเป็นความสำเร็จของผู้มีบุญบุญยวโตอิทธิเป็นความสำเร็จของผู้มีบุญเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากเพราะฉะนั้นตั้งแเดินตรงไปในทางที่จะไปอย่างอีสิปัตนะมิกทายาวันต้องฟังทั้งหลาย ใตร่มประโพธิยาณในวันนี้ขอยุติไว้ต่ยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องงามพบยบุ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี